อาารรท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่21มกราคมพุทธศัก ร, ราช2547ตรงกับวันพุธแรง15ค่ำเดือน2ปีมาแมเป็นวันพระวันธรรมสวนรวันฟังธรรม การที่จะทําให้การปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตตภาวนาเป็นไปได้ด้วยความก้าวหน้าเป็นมรรคเป็นผลจําต้องมีปัจจัยเกื้อหนุนเพราะถ้าขาดปัจจัยเกื้อหนุนแล้วการปฏิบัติจะไม่เป็นไปดิดได้ดีเท่าที่ควรเหมือนกับการปลูกต้นไม้ถ้าไม่มี ปัจจัยสนับสนุนเช่นน้ำกับปุ๋ยและการดูแลรักษาต้นไม้จะไม่เจริญงอกงามดีเท่าที่ควรการบำเพ็ญจิตตภาวนาก็เป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้เพื่อให้เป็นมรรคเป็นผลก็จำต้องมีปุ๋ยมีน้ำมีการดูแลรักษาที่เรียกว่าปัจจัยเกื่อหนุน มีอยู่สี่ประการด้วยกันคือหนึ่งความวิเว้ยสองการรับประทานอาหารพอประมาณ 3. การไม่คลุกคลีกัน 4. การเจริญสติอย่างต่อเนื่องในสติปัฏฐานสเหล่านี้คือปัจจัยที่จะเกื้อหนุนให้การปฏิบัติจิตตภาวนา ไม่ว่าจะเป็นการทำให้จิตสงบที่เรียกว่าสมถาภาวนาหรือทำให้จิตรู้แจ้งที่เรียกว่าวิปัสนาภาวนาเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั้นจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีปัจจัยเคื่องหนุนหรือจะเกิดขึ้นก็ยากใช้เวลานานแต่ถ้ามีปัจจัยเคื่องหนุนทั้งสี่ประการดีแล้ว พระพุทธองทรงสแสดงไว้ว่าภายในเจ็ดวันก็สามารถบรรลุมรรคผลได้หรือถ้าอย่างช้าก็ไม่เกินเจ็ดปีจะต้องบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งอย่างแน่นอนดังนั้นผู้ที่บำเพ็ญธรรมเพื่อมรรคผลที่พานเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจำต้องพิจารณา ปัจจัยเกื้อหนุนทั้งสี่ประการนี้คือหนึ่งความวิเวกหมายถึงสถานที่ที่สงบสงัดห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผพตภัณทั้งหลายที่เป็นเครื่องยั่วยวนกวนจิตกวนใจสร้างความวุ่นวายสร้างความขุ่นมัวใให้ิใจให้กับจิตใจ จำต้องอยู่อังห่างจากสิ่งเหล่านี้เช่นไปแสวงหาที่อยู่ในป่าในเขาห่างจากบ้านจากเมืองจากผู้จากคนเพราะลูกเสียงกินผลกินรดผลธพาทั้งหลายนั้นเปรียบเหมือนกับสิ่งที่จะไปทำให้น้ำกระเพื่อมเช่นน้าในสระถ้าเราไม่โยนอะไรลงไป ปล่อยให้น้ำอยู่เฉยๆน้ำก็จะนิ่งสงบแต่ถ้าเราโยนของลงไปลงไปตักน้ำลงไปเล่นน้ำอยู่เรื่อยๆน้ำก็จะต้องกระเพื่อมมีรูปคลื่นอยู่เรื่อยๆไม่สงบจิตของเราก็เป็นเช่นนั้นถ้าจิตของเรายังต้องรับรู้เรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาทางตาหูจมูกนิ่นกายแล้วเข้ามาสู่ใจ ก็จะทำให้จิตใจต้องกระเพื่องอยู่เรื่อยๆการจะทำจิตให้สงบก็จะเป็นสิ่งที่ยากลำบากลำบนอย่างนั้นเวลาที่เราไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากรูปเสียงกินลดโผฏภะแล้วเราจึงไม่ควรนำเรื่องราวต่างๆตามไปด้วยเช่นโทรศัพท์มือถือวิทยุ หนังสือพิมพ์อะไรต่างๆเหล่านี้เพราะจะเป็นสื่อที่นำพาเรื่องราวต่างๆให้ไปเข้าไปรบกวนจิตใจทำให้จิตใจไม่สงบทำให้จิตใจฟุง้งซ่านทำให้ยากต่อการบำเพ็ญสมถภาวนาเพื่อที่จะบำเพ็ญวิปัสสภาวนาต่อไป ดังนั้นสถาน ท, ที่สงบสงัดวิเวกจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการมรรคผลจากการปฏิบัติจิตภาวนาจึงควรให้ความสนใจพิจารณาถึงสถานที่ที่เราอยู่ว่าเป็นสถานที่สงบสงัดวิเวกหรือไม่ห่างไกลจาก เครื่องยั่วยวนกวนใจของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะะต่างๆหรือไม่ถ้าถ้ามีเราก็ควรที่จะขยับขยายหาที่ที่มันสงบสงัดเพราะการบำเพ็ญภาวนาจะได้เป็นไปได้ด้วยความสะดวกสบายป ร, ารประการที่สองก็คือให้รับประทานอาหารพอประมาณ คืออย่ารับประทานอาหารมากเกินความจำเป็นเคินความต้องการของร่างกายเพราะเมื่อรับประทานอาหารเข้าไปมากๆจะทำให้ร่างกายหนักเวลาจะภาวนาจะรู้สึกว่าลาบากจะง่วงเหงาเผานอนจะเกิดความเกลียดคร้านขึ้นมาจะเดินจงกรมก็ไม่อยากจะเดินจะมองหาแต่หมอนอย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติจิตภาวนา จึงต้องเจริญเหตุปัจจัยข้อนี้คือรับประานา ร, รับประทานอาหารพอประมาณเช่นไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วดังที่ศรัทธาญาติโยมบางท่านได้สมาทานศีลอุโบสถคือละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วหรืออยากจะปฏิบัติให้เข้มข้นยิ่งขึ้นไป ก็รับประทานอาหารเพียงมือเดียวอย่างพระภิกษุสา ม, มเณรท่านปฏิบัติกันและถ้ายังไม่พอบางองค์บางท่านก็ยังละเว้นการรับประทานอาหารเป็นวันวันบางครั้งก็สามวันห้าวันเจ็ดวันสุดแท้แต่จะเห็นว่าสมควรเพรา ะ, จะเจรตินิสัยบางท่านนั้นถูกกับการผ่อนอาหารลดอาหาร เวลาไม่ได้รับประทานอาหารมากๆแล้วจะมีความขยันหมั่นเพียรในการนั่งสมาธิในการเดินจงกรมเวลานั่งสมาธิก็ไม่รู้สึกง่วงเหงาเหงานอนทําให้การบังเพ็นเจริญแก้วหน้าไปได้อย่างรวดรว ด, รวดเร็วจงมีผู้ปฏิบัติหลายท่านด้วยกันที่นิยม ก, การอดอาหารเป็นครั้งเป็นคราวเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเสริม ในการปฏิบัติเปรียบเหมือนกับเติมน้ำมันชนิดพิเศษมีทั้งเก้าทั้ง95้าสบห้าถ้าเราเติมชนิดพิเศษขึ้นไปก็จะทำให้เครื่องยนต์นั้นสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพจิตใจของเราก็เป็นเช่นนั้นถ้าเราเติมน้ำมันเช่นทุดงขวัตให้กับจิตใจแล้วจิตใจก็เหมือนกับได้น้ำมันพิเศษทาให้สามารถประกอบ ภารกิจการปฏิบัติธรรมได้เต็มประสิทธิภาพทําให้มีผลเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายนี่ก็คือเหตุปัจจัยที่สองคือการรู้จักประมาณหรือรับประทานอาหารพอประมาณถ้าเราปฏิบัติได้แล้วเราจะเห็นว่าการปฏิบัติของเรานั้นเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ยังควรให้ความสนใจพิจารณาเหตุปัจจัยข้อนี้ข้อที่สามคือการไม่คลุกคลีกันคือไม่จับกลุ่มจะไม่ไม่จับกลุ่มนั่งคุยกันจะแยกอยู่กันตามลำพังเพราะเวลานั่งคุยกันก็มีแต่เสียเวลานอกจากเสียเวลาแล้วยังทำให้จิตใจทุ้งซ้านจิตใจขุ่นมัว เพราะบางครั้งสนทนาไปสนทนามาก็มีความเห็นไม่ตรงกันก็มีการถกเถียงกันจะเอาแพ้เอาชนะกันได้ทำให้จิตใจขุ่นมัวขึ้นมาเวลาที่จะไปนั่งทำจิตให้สงบก็จะรู้สึกว่าลำบากลำบนเพราะนินวรณเกิดขึ้น <c oughs> คือความโกรธ น, นั่นเองดังนั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้ว เวลาอยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมจะไม่นิยมพูดคุยกันแม้เวลาที่จะต้องมาทำกิจวัตรร่วมกันเช่นลงโบสถ์ไหว้พระสวดมนต์ออกบิณฑบาตหรือมาฉันอาหารทำกิจต่างๆล้างบาทกก่าดถูสาราต่างคนต่างมีสติอยู่กับภารกิจที่ตนเองต้องทำไม่ส่งจิตไปสนใจกับบุคคลอื่นๆ เพราะจะทำให้จิตออกไปข้างนอกเมื่อออกไปข้างนอกแล้วการจะพูดการจะทำอะไรกับบุคคลอื่นก็จะเกิดขึ้นตามมาแต่ถ้าเราสนใจแต่ภา ร, รกิจของเรามีสติอยู่กับภา ร, รกิจที่เราต้องทำไม่ว่าเราจะเดินบิณฑบาตจะนั่งรับบาทจากญาติโยมจะฉันจังหันจะทำอะไรก็ตามถ้าเรามีสติอยู่ ก, กับการทำงานของเราแล้ว จิต BigQuery, ของเราก็จะภาวนาไปในขณะเดียวกันเพราะเป็นการเจริญสติที่เรียกว่ากายกตาสติภาวนานั่นเองถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วจิตใจจะอยู่ข้างในจิตใจจะรวมลงสู่ความสงบได้ง่ายแต่ถ้าเราปล่อยจิตใจของเราออกไปข้างนอกเห็นคนนั้นเห็นคนนี้เขาทําอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็วิพากวิจาร์ไปต่างๆนานา ผลเสียมันจะเกิดกับตัวเรามากกว่าบุคคลที่ถูกเราวิพากวิจารณ์เพราะจิตใจของเราจะเริ่มเกิดความขุ่นมัวขึ้นมาเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาดังนั้นเราจึงควรที่จะสํารวมจิตของเราด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องจึงเป็นเหตุที่เราจะต้องมาสู่ปัจจัยที่สคือการเจริญสติอย่างต่อเนื่อง ในสติปัฐานสี่คือให้มีสติอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมอาการใดอาการหนึ่งก็ได้ในขณะที่เราทำอะไรอยู่ก็ขอให้เรามีสติอยู่กับกากบรกระทำนั้นๆอย่าปล่อยจิตให้ลอยไปในอดีตที่ผ่านมาแล้วหรือไปสู่อนาคต ที่ยังมาไม่ถึงให้จิตอยู่กับปัจจุบันในการเจริญ ส, สติปัฏฐานศี น, นีพระพุทธองค์ทรงสอนในเบื้องต้นให้เจริญอาณาปณะสติคือให้กำหนดรู้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกให้ไปหาสถานที่สงบสงัดที่ใดที่หนึ่งบาสจากความพุกพันบาศจากสิ่งต่างๆ ที่จะมารบกวนสมาธิให้นั่งขัดสมาธิตั้งตัวตรงมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกนั้นจะเป็นอย่างไรก็ให้รู้ตามความจริงของลมไม่ต้องไปบังคับลมให้เป็นไปตามความต้องการเช่นหายใจยาวหรือหายใจสั้นก็ให้รู้ว่าหายใจยาวหายใจสั้น ลมจะหยาบหรือลมจะละเอียดก็ให้รู้ต่างความเป็นจริงของลมว่าลมขณะนี้ลมหยาบลมขณะนี้ละเอียดหรือแม้ในที่สุดลมจะหายไปจากความรู้สึกก็ไม่ต้องเกิดความตกใจขึ้นมาเพราะจิตกําลังเข้าสู่ความละเอียดจะรวมตัวลงสู่ความสงบถ้าผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติอาจจะเกิดความตกใจขึ้นมา คิดว่าถ้าไม่มีลมหายใจแล้วจะตายได้ก็เกิดความตกใจเมื่อเกิดความตกใจจิตก็เลยต้องถอนออกมามาสู่ลมที่อยากจิตก็เลยไม่สามารถรวมลงเป็นสมาธิได้เวลาที่กําหนดดลูลมหายใจเข้าออกจึงขอให้มีสติรู้ตามลมก็พอแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ตามเข้าตามออก ใ ห, ให้รู้อยู่อยู่ที่จุดหนึ่งจุดใดที่ลมสัมผัสเด่นชัดในเบื้องต้นส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวปลายจมูกเหนือริมฝีปากขึ้นมาบริเวณนั้นเราก็กำหนดรู้อยู่ที่บริเวณที่ลมสัมผัสเข้าออกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้รู้ว่าลมเข้าให้รู้ว่าลมออกให้รู้ว่าลมหยาบหรือละเอียดหรือแม้แต่ลมไม่มีแล้ว ไม่สามารถรับรู้ว่ามีลมหายใจได้ก็ไม่เป็นไรก็ขอให้รู้ไปเรื่อยๆเพราะไม่ช้าก็เร็วจิตก็จะรวมลงสู่สมาธิสู่ความเป็นหนึ่งที่เรียกว่าเอกตารุงขณะที่จิตรวมลงนั้นจะอยู่นานหรือไม่นานก็ไม่ต้องไปกังวลปล่อยให้จิตอยู่ตามสภาพของเขาถ้าจิตจะรวมลงอยู่สักระยะหนึ่งแล้วถอนออกมา ก็ปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้เราเรียกว่าคณิกะสมาธิคือรวมลงแล้วตั้งอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ถอนออกมาแต่ถ้าจิตรวมลงแล้วตั้งอยู่ได้เป็นเวลานานเราเรียกว่าอัปปนาสมาธิสมา ธ, มาธิทั้งสองอย่างนี้จะเป็นเครื่องหนุนของการปฏิบัติในขั้นวิปัสสนาต่อไปคือเมื่อเราเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิที้แล้ว เมื่อจะลุกขึ้นก็ให้ตั้งสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของกายกายจะเดินจะยืนจะลุกจะนั่งจะนอนจะทำภารกิจอะไรก็ให้มีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของกายถ้าไม่ได้ทำอะไรก็ให้พิจารณาดูอาการสามสิบสองของร่างกายเช่นผมขนเล็บฟัน หนังเนื้อเอ็กระดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในให้พิจารณากลับไปกลับมาเป็นอนุโลมปฏิโลมให้พิจารณาดูให้เห็นถึงสภาพของอาการต่างๆเช่นกำหนดดูว่าผมนั้นมีรูปร่างลักษณะอย่างไรตั้งอยู่ที่ไหนขนมีรูปร่างลักษณะอย่างไรตั้งอยู่ที่ไหนอวัยวะต่างๆนั้น มีลักษณะอย่างไรให้กาหนดรู้ให้ดูไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปสลับไปสลับมาเข้าๆออก ๆ, ออกๆคืออนุโลมปฏิโลมอนุโลมก็พิจารณาเข้าไปปฏิโลมก็ย้อนออกมาให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ไม่สวยในงามมีเป็นปฏิกูลมีของที่สกปรก ซ่อนอยู่ภายในร่างกายที่ต้องถูกขับถ่ายออกมาอย่างสม่ำเสมอการพิจารณาให้เห็นอสุภะความไม่สวยงาม mm hmm. ก็เพื่อที่จะกำลาบหรือกำจัดการมราคะการมตัญหาคือความอยากในกความอยากในรูปร่างของคนนั้นเองถ้าเห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลโสกปก เป็นสิ่งที่ไม่สวยงามแม้ขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่สวยงามและเวลาที่ตายไปแล้วถูกทิ้งไว้ให้เน่าเปื่อยยิ่งไม่สวยงามใหญ่เหย่านี้เป็นวิธีการเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อทำให้จิตเกิดปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะได้คลายความหลงในความสวยความงามของร่างกาย ถ้าพิจารณาอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาเห็นเห็นรูปร่างของคน <c oughs> ก็จะไม่เห็นเพียงแต่ส่วนภายนอกเท่านั้นจิตจะทะลุเข้าไปสู่ภายในจะเห็นทั้งในสภาพที่มีชีวิตอยู่และเห็นในสภาพที่ตายไปแล้วว่าเป็นอย่างไรถ้าสามารถจเจริญอสุภกรรมฐานได้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง สามารถเอาชนะความอยากในการได้จิตก็จะหลุดพ้นปัญหาเรื่องของการไปได้อย่างสบายนี่ก็คือการเจริญกายกรตาสติภาวนาเพื่อให้เห็นถึงความไม่สวยงามของร่างกายนอกจากความไม่สวยงามแล้วร่างกายยังมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนคือต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้อง ตายไปในที่สุดก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนิจจังถ้าไปหลงยึดติดกับร่างกายปรารถนาให้ร่างกายอยู่ไปนานๆไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในใจแล้วก็พิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาคือไม่มีตัวไม่มีตนเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุสีดินน้ำลมไฟ ที่ผ่านมาทางอาหารอาหารที่เรารับประทานเข้ามานี้ก็มาจากพืชผักต่างๆซึ่งมาจากดินนั่นเองจากดินจากน้ําจากลมจากไฟเมื่อเข้ามาสู่ร่างกายก็แปลงสภาพเป็นอาการต่างๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันเป็นต้นแต่เมื่อร่างกายนี้ตายไปอาการสามอาการสามสิบสองก็กลายสภาพเป็นดินน้ําลมไฟ แยกตัวกลับไปร่างกายก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่อีกต่อไปส่วนที่เป็นดินก็กลับไปสู่ดินส่วนที่เป็นน้ำก็กลับสู่น้ำส่วนที่เป็นลมเป็นไฟก็กลับสู่ลมสู่ไฟนี่เป็นธรรมชาติของร่างกายที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้เจริญวิปัสสนาจนรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพความเป็นจริงว่า แต่นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนสากแต่เป็นการรวมเข้ามาของธาตุสีดินน้ำลมไฟเท่านั้นถ้าพิจารณาได้จนเห็นจนเห็นแจ้งชัดว่าเป็นอย่างนั้นแล้วอุปทานความยึดมั่นในตัวในตนว่าเป็นเราเป็นของของเราก็จะถูกทำลายไป ทำให้อยู่ได้อย่างสุขสบายไม่มีความวุ่นวายกังวลกับความเป็นไปของร่างกายจะอยู่จะตายก็ถือว่าเท่ากันไม่มีความเดือดร้อนกังวลกับความเป็นความตายเพราะรู้ว่าในที่สุดไม่ว่าใครก็ตามในโลกนี้แม้แต่พระบรมศาสดาเองก็ยังต้องตายเหมือนกันเพราะสังขารร่างกายของคนเราทุกๆคนนั้น มีสภาพเหมือนกันทั้งสิ้นเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็คือการเจริญกายกตาสติภาวนาหรือที่เรียกว่าเจริญสติอยู่กับกายให้เราพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามเป็นปฏิกูนแล้วก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เพื่อที่จะได้ปล่อยวางอุปทานความยึดติดอยู่กับร่างกายส่วนเวทนานนั้ท่านก็ให้เจริญกําหนดดูเวทนาว่าเวทนาก็เป็นสภาวะธรรมเหมือนกับความร้อนความหนาวที่เป็นสภาวะธรรมอยู่ภายนอกหน้าหนาวก็มีอากาศอย่างหนึ่งหน้าร้อนก็มีอากาศอย่างหนึ่ง เวทนาที่อยู่ปรากฏขึ้นในใจก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็มีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์เดี๋ยวก็มีไม่สุขไม่ทุกข์หมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปจะไปบังคับให้มีแต่สุขอย่างเดียวก็ไม่ได้เหมือนกับจะไปบังคับให้อากาศเย็นสบายอย่างเดียวก็ไม่ได้อากาศเขาก็มีเหตุมีปัจจัยทำให้เขาหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามสภาพ เวทนาต่างๆที่จิตต้องสัมผัสรับรู้ก็เป็นเช่นนั้นมีทุกมีสุขมีไม่ทุกมีไม่สุขหมุนเวียนผัดเปรียดกันมาแสดงหน้าที่ของเขาจิตต้องรู้ทันแล้วต้องปล่อยวางคือรู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองไปควบคุม บ, บังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้เวลาสุขก็อย่าไปอยากให้สุขนั้นอยู่กับเราไปนานๆ เมื่อสุขนั้นหายไปก็จะต้องเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาทุกข์ปรากฏขึ้นก็อย่าไปรังเกียจเพราะเวลารังเกียจก็สร้างความวุ่นวายสร้างความทุกข์ขึ้นมาภายในใจหลักสําคัญในการปฏิบัติต่อเวทนาก็คือพยายามทําจิตให้สงบให้นิ่งให้เป็นอุเบกขาให้เข้าใจถึงไตรลักษณ์ของเวทนาว่าเขาเป็นอย่างนี้เหมือนกับ ความร้อนความหนาวของอากาศที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เวทนาต่างๆที่ปรากฏขึ้นในจิตก็เป็นเช่นนั้นเราก็ไปบังคับไม่ได้แต่สิ่งที่เราบังคับได้ก็คือจิตของเรานั่นเองถ้าจิตมีสมาธิจิตมีปัญญาจิตสามารถปล่อยวางได้ทําจิตให้สงบลิ่งเฉยกับกับความเป็นไปต่างๆของเวทนา นี่ก็คือการเจริญสติอยู่กับเวทนายามเวลามีเวทนาปรากฏขึ้นมาอย่าหลงไปดีใจกับสุขเวทนาและอย่าไปหลงทุกข์ไปกับทุกเวทนาให้รู้ทันแล้วปล่อยเขาเป็นไปตามความเป็นจริง mm. เช่นเวลาเรานั่งนานๆแล้วเกิดทุกเวทนาก็กํากหนดจิตให้นิ่ง แล้วก็สอนจิตว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามเรื่องของเขาเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องเปลี่ยนไปไม่มีอะไรจะอยู่ไปแบบคงเส้นคงวาต้องมีการเปลี่ยนไปอยู่เสมอถ้าทำจิตได้แล้วถ้าจิตสงบตัวลงเวทนาที่แสดงอยู่นั้น mm hmm. ก็จะไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับจิตใจ เพราะจิตใจได้ปล่อยวางเวทนานั่นเองเวลาจิตปล่อยวางจากเวทนาแล้วจิตจะรวมลงเข้าสู่ความสงบถึงแม้จะยังสัมผัสกับเวทนาอยู่แต่ก็จะเพียงแต่รับรู้เฉยๆจะไม่มีปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งกับเวทนาอันนั้นนี่ก็คือเป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการเจริญสติอยู่กับเวทนา ให้พิจารณาเว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการเจริญสติอยู่กับจิตก็คือการรู้อารมณ์ของจิตนั่นเองในจิตของเราในวันๆเ น, น, นึ่งมีอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็พุ้งสร้างวุ่นวายเราต้องแยกจิตออกจากอารมณ์เหล่านี้ ให้จิตรับรู้แต่จิตอย่าไปวุ่นวายตามอารมณ์ต่างๆอย่าไปโลภตามอารมณ์อย่าไปหลงตามอารมณ์อย่าไปโกรธตามอารมณ์ถ้ามีสติรู้อยู่อารมณ์เหล่านั้นไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องสงบตัวลงแต่ถ้าไม่สงบตัวลงก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นตัวมาระงับเช่นสมมุติว่าเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาแล้วมีสติก็รู้อยู่ว่าโกรธ แต่อารมณ์โกรธนั้นยังไม่หายไปก็ให้ใช้เมตตามาเป็นเครื่องดับความโกรธคือถ้าเป็นบุคคลที่เขาสร้างสร้างความโกรธให้กับเราท่านก็สอนให้เราใช้อภัยทานคือให้อภัยอย่าไปจองเวรจองกรรมคิดเสียว่าเป็นสิ่งที่เราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะทำอะไรเขาจะพูดอะไรเราไปห้ามไปบังคับเขาไม่ได้ แต่สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือใจของเราเราทําใจให้เฉยเสียมันก็หมดเรื่องหรือให้มองให้เห็นว่าความโกรธนี้เป็นโทษเป็นกับตัวเรามากกว่าคนที่เขาทําให้เราโกรธเพราะความโกรธนี้เป็นเหมือนกับไฟในใจเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วคนเราจะมีความวุ่นวายจะมีความเดือดร้อนใจอยู่เฉยเฉยไม่ได้หน้าเบิ่ง หน้าตากายเป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมาเพราะความโกรนี้ดังนั้นเราต้องเห็นโทษว่าความโกรนี้เป็นโทษมากกว่าคนที่เขาทำให้เราโกรธแล้วเราอย่าไปแก้ที่คนที่เขาทำให้เราโกรธเราต้องมาแก้แก้มาับความโกรธที่มีอยู่ในใจของเราถ้าเราทำอย่างนี้แล้วต่อไปเวลามีอะไรใครทำอะไรเราจะไม่ไปสนใจ เราจะถือเสียว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยเหมือนกับแดดลมที่เราไปบังคับให้ได้ฉันใดคนต่างๆเขาจะทําอะไรให้เราถูก อ, อกถูกใจหรือไม่เราก็ไปบังคับขอไปได้แต่สิ่งที่เราบังคับได้ก็คือใจของเราเราขันมาเข้ามาดูที่จิตแล้วควบคุมจิตด้วยการเจริญสติปัญญานในจิต คือให้มีสติรู้ทันกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะถ้าเรารู้ปับ๊บเราจะแก้ปัญหาได้ทันทีและแก้ได้ถูกจดุดก็คือแก้ที่จิตนั่นเองอย่าไปแก้ข้างนอกข้างนอกแก้ไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจบจักสิ้นแก้คนนี้ได้เดี๋ยวก็มีอีกคนมาแทนที่อยู่นั้น<ม>แต่ถ้าเราแก้ที่จิตเราได้ผนเดียวแล้วเราแก้ปัญหานี้ไปได้ตลอดนี่ก็คือความหมายของการเจริญสติอยู่กับจิต<ม>คือให้รู้ทัน อารมณต่างๆที่ปรากฏขึ้นในจิตว่าเป็นตรลัก์เหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปหลงยึดติดต้องปล่อยวางต้องรู้ทันประการสุดท้ายท่านสอนให้เจริญสติในธรรมก็คือให้พิจารณาสิ่งต่างๆที่มาปรากฏสัมผัสกับจิตเช่นให้พิจารณารูปเสียงกลิ่นรสผลท พ, พะที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วปรากฏขึ้นในจิตก็ให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเป็นสิ่งที่มาแล้วก็ไปเสียงได้ยินปั๊บแล้วก็หายไปรูปเห็นปั๊บแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาแล้วก็หายไปเปลี่ยนไปอย่าไปหลงยึดติดอย่าไปยินดีกับรูปที่สวยงามอย่าไปรังเกียจกับรูปที่ไม่สวยงามให้รู้ก็ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสักแต่ว่ารูปเป็นสักแต่ว่าเสียง อย่าไปดีใจกับเสียงเสียงสรรเสริญอย่าไปรงเกียดกับเสียงนินทาให้พิจารณาเห็นว่าเป็นศัก์แต่ว่าเสียงเท่านั้นเองเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเหมือนกับแดด ก, กับลมถ้าจิตของเราไม่ไปยินดียิงร้ายแล้วจิตของเราก็จะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายเพราะมีปัญญาก็ เ, าเห็นแล้วว่าเป็นใจรักนั่นเองคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา นี่ก็คือการเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ซึ่งมีอยู่ในตัวของเราเราไปอยู่ที่ไหนสถานที่ใดมีสติปัฏฐานสี่ในตัวของเราเสมออยู่ที่ว่าเราจะเจริญสติปัฏฐานสี่นี้หรือไม่ถ้าเราเจริญแล้วการปฏิบัติธรรมของเราจะเป็นไปได้อย่างง่ายดายเป็นไปได้อย่างรวดเร็วดังในคำตำหนัะ